Less Court on Radio ช่วง Kasha News สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงการชาติ、News. ข่าวค้างไวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะในเรื่องของคลินิกนิรนามสมุนไพรโรคเอดส์สภาการชาติไทยเปิดให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบเอไวรัสตับอักเสบบีวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกและปากทวารหนักค่ะวันนี้มีรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะว่าแต่ละตัวควรไปฉีดเมื่อไรและก็ราคาเท่าไหร่บ้างค่ะ วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบเอนะคะราคาหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบหกบาทต่อครั้งโดยฉีดสองครั้งเว้นระยะห่างหกเดือนค่ะ วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบีราคา195บาทต่อครั้งฉีดสามครั้งเวลายาห่างหนึ่งเดือนแล้วก็หกเดือนค่ะวัคซีนป้องกันไวรัส HPV ค่ะราคา 2,254 บาทต่อครั้งฉีดสามครั้งเวลายาห่างสองเดือนและหกเดือนค่ะสำหรับวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่นะคะราคา350บาทต่อครั้งค่ะราคาของรายการฉีดวัคซีนนะคะก็อยัางไม่รวมค่าบริการทางการแพทย์นะคะสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะได้ที่เบอร์โทรศัพ ศูนย์สองสองห้าหนึ่งหกเจ็ดหนึ่งหนึ่งถึงห้าค่ะ มีคุณผู้ฟังสอบถามกันเข้ามานะคะเกี่ยวกับการเข้าถึงข้อมูลสุขภาพและบริการของสภาพกาชาติไทยทางสื่อออนไลน์ว่ามีช่องทางใดบ้างนะคะวันนี้จะมาแนะนำช่องทางออนไลน์หน่วยงานหลักเกี่ยวกับด้านสุขภาพอนามัยของสภาพกาชาติไทยนั่นก็คือโรงพยาบาลจุฬาลงกรสภากาชาติไทยค่ะหากคุณผู้ฟังได้ติดตามข้อมูลข่าวสารของโรงพยาบาลอยู่แล้แลวก็จะเห็นได้ว่าโรงพยาบาลจุฬาลงกรนั้นมีช่องทางที่หลากหลายนะคะ นอกจากเว็บไซต์ของโรงพยาบาลแล้วนะคะเราก็ยังมีช่องยูทูบที่ใช้ชื่อว่าติดจ่อรอจุฬาเพื่อเผยแพร่เกิดความรู้สุขภาพแล้วก็แนะนำหน่วยงานภายในโรงพยาบาลค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีช่องทางไลน์ออฟฟิเชียลนะคะโดยใช้ชื่อว่าจุฬาฮัลส์พิทเทิลค่ะซึ่งยังสามารถริ้งนะคะไปยังช่องทางไลน์อื่นๆได้ค่ะเช่นช่องยูทูบหรือว่าวรสารอจุฬาในรูปแบบออนไลน์ค่ะ ด้วยแนวคิดการผลิตสื่อเชิงสร้างสรรค์ น, น่าสนใจเข้าใจง่ายแล้วก็เข้าถึงประชาชนต้นแบบของข้อมูลข่าวสารและก็สาระน่ารู้ที่เป็นประโยชน์จากองค์ความรู้ที่ได้พัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยผู้เชี่ยวชาญทุกสาขาวิชาชีพค่ะไม่ว่าจะเป็นแพทย์ทันตะแพทย์เภสัชกรพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ค่ะ สำหรับผู้ที่มาตรวดมาเร็งปากหมดลูกนะคะ chips at Vaselinestock County สามารถำผลการตรวดได้สะดวกนะคะรวดเร็วค่ะผ่านทางลายนะคะเป็นอ freely split 那 crown นะฮะ ossen า Pencilorresse Serve it to school เป็นมิติใหม่ของการให้บริการที่ทานสมัย окой เพิ่มช่องทางในการเข้าถึงบริการและยังช่วยร้อดความวิต ก, กงวลจากการเฝ้ารอผลการตรวดย้อร์หลังด้วยค่ะ นอกจากนี้นะคะที่ศูนย์วิจัยโรคเอดส์สภาการชาติไทยก็มีให้บริการเอ็กซ์เพรสค่ะซึ่งเป็นการบริการตรวจเอชไอวีที่รวดเร็วโดยเปิดช่องทางพิเศษให้กับผู้รับบริการสามารถลงทะเบียนออนไลน์ล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการและอยัางเพิ่มทางเลือกในการรับผลตรวจเรือนะคะผ่านทางไลน์อีเมลหรือว่าเอสเอ็มเอสค่ะโดยที่ไม่ต้องรอรับผลที่คลินิกนิรนามสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เฟซบุ๊กเพจคลินิกนิรนามสูง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 ในช่วงสนทนารอบรั้ววันนี้นะคะเรามาทำความรู้จักสว่างคณิว่าดสถานพักฟื้นของสภากาชาดไทยกันค่ะสว่างคณิว่าดเป็นสถานพักฟื้นของผู้ป่วยที่ฟื้นจากโรคภัยไข้เจ็บซึ่งอยู่ในความดูแลของแพทย์และพยาบาลค่ะเป็นหน่วยงานหนึ่งของสภากาชาดไทยตั้งอยู่ที่กิโลเมตรที่สามสิบเอ็ดตำบลท้ายบ้านอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการนะคะห่างจากตัวเมืองสมุทรปราการไม่ถึงเจ็ดกิโลเมตรค่ะ เดิมที่ดินแห่งนี้นะคะเป็นของในายอื้อจื่อเลียงค่ะผู้สร้างและก็อุปการณ์โรงพยาบาลประสานมิตรถนนสีพญากรุงเทพมหานครค่ะซึ่งในปีพุทธศักราช2494นะคะนายอื้อจื่อเลียงค่ะคิดจะสร้างสถานที่รักษาผู้ป่วยวันนรกนะคะบนที่ดินแห่งนี้ค่ะเพื่อขยายโรงพยาบาลประสานมิตร ปีสองพันสี่ร้อยเก้าสิบหกนะคะเขาได้เดินทางไปยุโรปมีโอกาสดูงานโรงพยาบาลและสถานพักฟื้นในยุโรปจึงเกิดความคิดที่จะสร้างสถานพักฟื้นซึ่งพบได้ทั่วไปในยุโรปและมีประโยชน์ในการรักษาพยาบาลอย่างมากบนที่ดินของตนเองค่ะที่ตำบลท้ายบ้านอยู่ใกล้ทะเลมีอากาศบริสุทธิ์สดชื่นไม่ไกลจากเมืองหลวงหรือว่ากรุงเทพมากนักเขาจึงได้เปลี่ยนความคิดจากเดิมที่จะสร้างสถานที่รักษาผู้ป่วยวานาันโรค จึงจะสร้างสถานพักฟื้นขึ้นแทนค่ะ ปีพุทธศักราช2500นะคะอาคารต่างๆก็ได้ถูกก่อสร้างขึ้นค่ะและขณะนั้นนะคะนายอื้อจื่อเรียงค่ะก็มีอายุมากแล้วซึ่งกิจที่จะมอบสถานที่แห่งนี้ค่ะให้องค์กรใดองค์กรหนึ่งรับไปดูแลแล้วก็ดำเนินการต่อค่ะในายอื้อจื่อเรียงนะคะซึ่งตกลงใจที่มอบสถานพักฟื้นแห่งนี้นะคะให้แก่สภากาชาติไทยค่ะเพราะว่าเป็นองค์กรสาธารณากุศลของชาติเป็นสมาชิกกาชาติสากล น, นะคะสามารถที่จะดำเนินการให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ของ วันที่15เมษายน2503พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสภานายกฯสภาการชาติไทยส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอื้อจือเหลียง เป้าทุนละอ่องทุลีพระบาทณพาตําหนักจิรดาระหโหฐานโดยในอื้อเจือเหลียงน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายที่ดินจํานวนหกสิบไร่เศษที่จังหวัดสมุทรปราการรวมทั้งสังหาริมศาซับและก็อสังหาริมศาซับในที่นั้นมูลค่ากว่าสิบล้านบาทค่ะเพื่อพระราชทานแก่สภาการชาติไทยในโอกาสนี้ทรงพระกรุณาโปรด ก, กระโปรดกระหม่อมพระราชทานนามสถานพักฟื้นแห่งนี้ว่าสว่างคณิวาสค่ะ แล้ววันที่8มิธุนายยนต์ 2,505 นะคะพระบาทสมเด็จพระบรมชนะกาธิเบตรมหาภูมิพลอดุญญาเดทมหาราศบรรมมนาสบอพิทย์และสมเด็จพระหนังเจ้าสริกิจพระบรมราชินีนาสพระบรมราชชนณีพันปีหลวงได้สเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีเปิดสถานพักฟื้นแห่งนี้ค่ะ สว่างคณิวาสมีตึกตรวจโรคพร้อมอุปกรณ์เป็นอาคารสี่ชั้นห้องนอนเดี่ยวสี่สิบห้องห้องนอนคู่สี่ห้องและมีอาคารแยกสำหรับครอบครัวพักแปดหลังด้วยนะคะ ภายในบริเวณมีสระน้ำและก็คูน้ำยาวสองกิโลเมตรนะคะมีสวนดอกไม้และก็พันไม้นานาชนิดมีที่นั่งพักผ่อนทั่วไปทางด้านที่ติดชายทะเลนะคะมีสะพานนะคะยื่นลงไปในทะเลเพื่อชมวิวทิวทัศน์ได้ค่ะส่วนหอประชุมใหญ่ของสว่างคานิว่า น, นะคะใช้เป็นสถานที่จัด ก, การประชุมและก็สัมมานาค่ะพักสะดวกและก็อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพมหาคนครด้วยค่ะ นอกจากจะเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจได้สัมผัสบรรยากาศของทะเลแล้วที่สำคัญก็อยัางเป็นสถานีกาชาดที่ห้าสว่างคานิวาสให้บริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกในสถานพักฟื้นแห่งนี้อีกด้วยค่ะช่วงหน้าความรู้คู่สุขภาพมีเรื่องที่น่าสนใจเกี่ยวกับโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวมาฝากคุณผู้ฟังพักสักครู่ค่ะรายการเรสคอร์ดออนเรดิโอ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 ติดต่อส Α บถามหรือปรึกษาฟริโท 02-5921999 มาหาวิธีอลัยเทคโนโล illing ราชมณ์คนธัญญาบูรีร่วมกับชมลมกรอบราชมณ์คนและสมาคมสิคร melian มาหาวิธีอลัยเทคโนโล synt ุษ eu renovus จัดการแข่งคันก grains กรอบการกูซลราชมณ์คนประจำปีอยู่201562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 どういうことか ก็รู้ต้องหยุดตรงนี้แต่ฉันก็ปล่อยให้ใจรักไปโดยไม่มีเหตุผล トクランティタジดีกัน ミアンチャンタイドンバ คอสออนไลน์ดีโอช่วงความรู้คู่สุขภาพคุณผู้ฟังคะอาการปวดหลังนะคะอาจเป็นอาการนำของโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดไมอิโรมาก็ได้นะคะช่วงความรู้คู่สุขภาพในวันนี้คะ่ะนำความรู้นะคะเกี่ยวกับโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดไมอิโรมานะคะหรือว่าเอ็มเอ็มมาฝากกันคะ่ะ โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดไมอิโลมาเป็นโรคมะเร็งทางโลงหิตวิทยาที่เกิดจากการเพิ่มจำนวนของเม็ดเลือดขาวชนิดหนึ่งค่ะซึ่งเรียกว่า plasma cell ในไขกระดูกและสร้างโปรตีนที่ผิดปกติออกมาในกระแสะเลือดทำให้เกิดอาการสำคัญๆของโรคซึ่งได้แกะส่ซีดไตาวายระดับแคลเซียมในเลือดสูงแล้วก็ปวดกระดูกค่ะ ส่วนใหญ่มีการดำเนินโรคแบบค่อยเป็นค่อยไปนะคะสาเหตุของโรคปัจจุบันยังไม่ทราบแน่ชัดค่ะอาจเกี่ยวข้องกับกรรมพันธุ์แล้วก็สิ่งแวดล้อมนะคะเช่นการใช้ยาฆ่าแมลงยาฆ่าวัชพืชสารเคมีบางชนิดการสัมผัสสารกัมม์ตารางสีแล้วก็ยังไม่มีแนวทางการป้องกันของโรคนี้ได้อย่างชัดเจนด้วยนะคะซึ่งพบผู้ป่วยโรคนี้นะคะประมาณหนึ่งคนต่อประชากรหนึ่งแสนคนค่ะ ในภาวะปกติค่ะพลาสมาเซลล์นะคะมีหน้าที่สร้างผนุมคุ้มกันให้แก่วร่างกายแต่เมื่อพลาสมาเซลล์นะคะเกิดการเปลี่ยนแปลงไปเป็นเซลล์ของมะเร็งจะไม่สามารถสร้างสารผนุมคุ้มกันปกติออกมาได้ค่ะแต่ก็จะสร้างโปรตีแล้วก็หลั่งสารผิดปกติออกมาแทนนั่นเองค่ะทำให้เกิดภาวะซีดจากการที่เซลล์มะเร็งไปแทนที่เซลล์เม็ดเลือดแดงปกติในไขกระดูกและหลั่งสารซึ่งลดการสร้างเม็ดเลือดแดงจึงทำให้อ่อนเพลียและก็เหนื่อยง่ายค่ะ มีภาวะไตวายค่ะจากโปรโตีนผิดปกติที่เซลล์มะเร็งหลังออกมามีพิษต่อไตทำให้ไตวายมีอาการบวมปัสสาวะออกน้อยอ่อนเพลียขึ้นไส้แล้วก็อาเจียนค่ะปวดกระดกูกระดูกหักง่ายจากการที่เซลล์มะเร็งหลังสารเพิ่มสลายกระดูกและลดการสร้างกระดูกนะคะนอกจากนี้อยัางทำให้มีระดับแคลเซียมในเลือดสูงอีกด้วยค่ะ อาการปวดหลังหรือว่าปวดกระดูกนะคะที่น่าสงสัยว่าจะเป็นโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวนี้นะคะชนิดไมอิโรมาก็คือมีอาการปวดหลังหรือว่าปวดที่กระดูกเลือหล้องรางค่ะทานยาแล้วอาการก็ไม่ดีขึ้นนะคะหรือว่ามีอาการปวดในช่วงกลางคืนร่วมกับอาการอื่นโดวยเฉพาะอาการซีดอ่อนเพลียตรวจเลือดแล้วพบว่ามีภาวะไตาวายระดับแคลเซียมสูงนะคะหรือว่ามีโปรตีนในเลือดสูงกว่าปกติเอ็กซเรย์กระดูกพบความผิดปกติที่เข้าได้กับโรคค่ะ นอกจากนี้ผู้ป่วยอาจมีอาการร่วมของมะเร็งทั่วไปนะคะอย่างเช่นเบื่ออาหารน้ำหนักลดในกรณีที่มีกระดูกหักในตำแหน่งซึ่งพบไม่บ่อยหรือว่าไม่สัมพันธ์กับอุบัติเหตุก็ทำให้สงสัยได้ว่าเป็นโรคนี้เช่นกันค่ะ โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดไมอิโรมานะคะถือว่าเป็นโรคเรื้อรังค่ะไม่หายขาดนะคะอัตราการรอดชีวิตเฉลี่ยนของผู้ป่วยเอเชียนะคะอยู่ที่ประมาณสี่ปีค่ะการรักษานะคะขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างด้วยนะคะทั้งตัวโรคแล้วก็ตัวผู้ป่วยเองอย่างเช่นอายุนะคะสุขภาพโดยรวมแล้วก็ภาวะโรคอื่นๆที่เป็นร่วมด้วยค่ะ ผู้ป่วยที่มีอายุน้อยและก็ยังมีสุขภาพแข็งแรงสามารถรักษาด้วยยาเคมีบำบัดและก็การปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตค่ะเพื่อที่จะทำให้โรคสงบนานที่สุดส่วนผู้ป่วยสูงอายุนะคะอาจให้การรักษาด้วยยาเคมีบำบัดชนิดรับประทานร่วมกับการรักษาแบบระคับประคลองค่ะเช่นการให้เลือดในกรณีที่มีอาการซีดการให้ยาเพื่อลดการทำลายกระดูก การให้ยากแก้ปวดในกรณีที่มีอาการปวดกระดูกมากการรักษาด้วยการฉายแสงหรือผ่าตัดอาจทำได้ในบางกรณีนะคะเพื่อลดอาการจากโรคค่ะวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะพบกับสาระดีๆจากสภากาชาติไทยได้ใหม่ค่ะเราสองคนขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรายการเรสคอร์ดออนเรดิโอ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 竞争带到成年愉快 Conrad Cain Bang Tiko Dua Ta May Tin Chang Lot Lot King Tong n どころかたんばいちゃん。 and、yeah.